الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ل ن ه ت ه د ي لولا أن هدانا الله أ ش ه د ا ن ل ا إ ل ه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير فبشرح لي صدر ي و ي س ر س ي أمري وهل عقدة من لساني يفقه ق و ل ي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านี้นะครับขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานาตาอาลาขอบคุณในเนื้มัดความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาอัลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนียมัตุนอิสลามเนื้มัดความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาอัลาให้เราได้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาตาอาลานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็รองลงมาก็เนียมัด ความปลอดภัยในบ้านเมืองที่เรายังไม่ถูกคุกคามยังไม่ถูกกีดกันอิสระในการเคารพภักดีต่อรัชสมานนรตาอานาลาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเนี่ยมัดสุขภาพเวลาว่างแล้วก็อีกมากมายที่เราไม่สามารถที่จะขนานนับได้ทำไปแล้วนะครับในค่ำคืนวันเสาร์นะครับต้องขอทำความเข้าใจนะครับกับพี่น้อง ที่รักทุกท่านว่าวันนี้เนี่ยพอเข้าสู่เวลามะ ก, กริบแล้วเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์นะครับเป็นเช้าวันศุกร์และก็คืนวันเสาร์ถ้าจะถ้าคําคืนวันศุกร์เนี่ยนับในคําคืนเมื่อวานนะครับวัน เ, เมื่อเข้าสู่วันกลางคืนมะ ก, กริบของวันพฤหัสเนี่ยก็จะเข้าสู่คืนวันศุกร์แล้วก็มีสุนนะให้เราอ่าน surat al kahfi แล้วก็พิจารณาความหมายในอัลกุรอานบัญญัติต่างๆแล้วกออ็ข้อคิดข้อเตือนใจนะครับที่เราได้จากอัลกุรอานของลุสพานอตะอาลาซึ่งเป็นผลดีกับการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาเป็นธรรมนูญ น, นะครับเป็นคันลองที่เรานั้นจะเดินอยู่บนธรรมนูญ น, นั้นเพื่อให้ความ เพื่อการมีชีวิตยอยู่ของเราในโลกใบนี้เนี่ยมันอยู่บนฐานความรักและความพอพระทัยจากลอสซุมฮาอนอตาราก็ต้องศึกษาจากพระมหาคัมภีร์หรือว่าดํารัสของลอสซุมฮาอนอตาลาซึ่งเป็นเจ้าของบทบัญญัตินะครับผู้สร้างสวรรค์และก็นรกและผู้สร้างหนทางที่ดีงามไปสู่สวรรค์และก็ผู้ที่วางบททดสอบให้กับมนุษย์ว่าถ้าเดินทางนี้แล้วเนี่ย ก็จะโดนลงโทษจะเอาลอสซุมฮามตลาและเอาลอสซุมฮามตลาก็ให้ท่านอับีมุฮัมมัดสุลลัลห์ในสัลลัมเนี่ยนะครับมาชี้นําพวกเราอีกทีหนึ่งว่าหุ่นทางใดบ้างหรือว่ารูปแบบใดบ้างที่พวกเราในฐานะที่เป็นบ่าวของลอสซุมฮาตลาต้องปฏิบัตินะครับแล้วเราจะได้รับความพอพระทัยจากลอสซุมฮามตลาอัลฮัมดุลลาห์นะครับฮัมดุลละห์วันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะครับในทุกๆคืนวันเสาร์ เกี่ยวกับเรื่องของสัเซียร์สุรอัลกีฮีนะครับสุร่านี้มีความสําคัญไหมนะครับแน่นอนครับว่ามีฮะดิษสาเหตุหลายบทที่ยืนยันถึงความประเสริฐของสุร่านี้ใครก็ตามที่อ่านสุร่านี้นะครับในวันศุกร์หรือคืนวันศุกร์เนี่ยอัลลอฮุสซาตัลลาจะประทานนุษรัศมีให้ใบหน้าของเขานะครับจนไปถึงศุกร์หน้าศุกร์นี้จนถึงศุกร์หน้าก็จะมี รัศมีนะครับอยู่ที่ใบหน้าของพวกเขารัศมีตรงนี้นะครับก็เป็นรัศมีที่เราประทานมาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีแสงส่องสว่างเจอือจหรัดแต่มันคือรัศมีนะครับที่เราได้รับความประเสริฐจากการอ่านสุรนิน์นะครับแน่นอนครับว่ า, าสำหรับคนที่มีนุรัศมีเนี่ยใบหน้าของเขาเนี่ยนะครับจะสวยงามนะครับจะจะดูออก นะครับถึงใบหน้าที่มีรัศมีความตักวาความยำเกงรัศมีแห่งความรู้รัศมีแห่งทางนำเนี่ยนะครับใบหน้าเขาจะเบิกบานถึงแม้ว่ามันจะไม่เด่นชัดที่เป็นแสงประกายส่องออกมาแต่มันจะสามารถที่จะรับรู้ได้นะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ท่อง1ิอายะแรกของสุรัตแกฟีนะครับในบางระยะเวรีวายะบางรายงานก็บอกว่าสิบอายะสุดท้ายของสุรัตแกฟีเนะี่ยเขาจะได้รับ กปกป้องคุ้มภัยจากความปั่นป่วนพิตรณความเลวร้ายความรุนแรงนะครับออของดัชจานนะครับของดัานในผมขอภัยนะครับขอชาจแบทบแป๊บหบนึ่งนะครับเรามาถึงระอ่าเรามาถึงอายะที่สิบแปดนะครับอายะที่สิบแปด วันนี้เราจะเรียนอินชาอัลลอฮ์เราจะเรียนสิบแปดสิบเก้ายี่บยี่สบเอ็ดนะครับสอายะด้วยกันนะครับอเรามาอ่านกันก่อนนะครับถือว่าเอาบราริกะจากคารามุลลอฺดามรัดของลสุมฮาวตลาเพราะว่าการอ่านอันกุรานเนี่ยที่น้องคงจะรู้ดีนะครับถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับว่าหนึ่งอักษรเราได้กี่ผลบุญครับติก๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกบางท่านตอบได้แล้วนะครับอ่าถูกต้องครับผมเราได้สิบ ผลบุญกับสิบความดีนะครับสิบความดีงามอัชรอฮัสนะครับเราได้สิบความดีงามแค่อักษรเดียวนะครับดังที่น บ, บีบอกว่าฉันจะไม่ขอกล่าวว่าอัลิฟลามมีมนะครับเป็นหนึ่งอักษรแต่อัลิฟเป็นหนึ่งอักษรลามเป็นหนึ่งอักษรมีมเป็นหนึ่งอักษรและก็ทุกอักษรนั้นได้สิบฮัสนะสิบความดีงามนะครับถ้าเราอ่าน แค่หนึ่งอายะเนี่ยแล้วมันมีกี่ตัวอักษรแล้วก็คูณไปเลยครับสิบคูณไปโูลไปเลยสิบเท่านะครับแล้วในหนึ่งหน้าเนี่ยมีผลบุญเท่าไหร่ในหนึ่งยุษมีผลบุญเท่าไหร่ในหนึ่งข้อตามมีผลบุญเท่าไหร่นี่คือผลบุญที่ได้มาด้วยความง่ายได้แต่หลายๆคนนะครับหลงลืมดังนั้นบรร ด, ดาอุลลามะบอกว่าการอ่านอัลกุรอานเนี่ยคือการนิโคโลที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการนิโคโลที่เราได้รับผลบุญนะครับมากที่สุดแล้วก็ ง่ายที่สุดด้วยนะครับอัลลอฮ์ซุลมานาอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับในสุร้อนี้นะครับอายะที่สิบอัลลฮตรสว่า وتحسبهم أيقاظو وهم ركود ونقلبهم ذات الجنين وذات ا ل ش م ว ل وكلبهم باس تزراعيه بن ล ص ي د لو ط ل ع มิน ي ه م لوليت منهم فرارا و ل ความหมายโดยรวมนะครับบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยก็จะคิดว่าพวกเขานะครับได้ น, นอนหลับอยู่แต่ในสภาพที่นะครับพวกเขานั้นเหมือนกับตื่นอยู่นะครับอ่าขอาขอภัยนะครับพวกเจ้าเนี่ยจะคิดว่าพวกเขาตื่นอยู่ทั้งๆ้งที่พวกเขานอนหลับอยู่ <Soci os> พวกเขาพวกเจ้าเวลาไปเห็นพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยเอาล็อให้เขานอนหลับ แต่พอคนไปเห็นน่ะจะเหมือนกับลักษณะของคนตื่นนุกันลิบุลตจตันยาบีนวัสตาติชิมันอัลลอฮฺบอกว่าเราจะพลิกพวกเขาเนี่ยไปไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับพลิกล่างให้กับพวกเขาตอนเขาหลับอยู่เนี่ยเราจะพลิกให้กับเขาไปทางขวาแล้วก็ทางซ้ายวักันบุบุมบาเซตุงสุราอิบินวัซรดแล้วก็สุนัขของเขาก็จะเหยียดขานะครับไปทางปากทัมลาวิตตละแต่อะไรเห็นถ้าเจ้าได้ เห็นพวกเขาเนี่ยเราว่าไลาต์มินหุมฟิโร่ร อ, รอพวกเจ้าจะหนีเลยนะครับว่าละวามูลิตแมินหุมระบาด้วยกับความกลัวนะครับหมายความอารอดปกป้องพวกเขาใครก็ตามที่เดินผ่านไปตรงนั้นน่ะนะอาจจะบังเอิญไปเจอหรือว่าอย่างไรก็ตามแต่พอเจอทั้งสุนัขทั้งนะครับพวกคนที่อยู่ข้างในนะ่ะอารอดจะให้หัวใจเพรพวกเขามีความกลัวแล้วก็หนีนะครับะเลิดเปิดเปิงไปเลย เรามาดูนะครับทับซินนะครับเชคกไซเมนบอกว่าตัาซาบุหุมก็คือคนที่เห็นพวกเจ้าก็จะคิดกันว่าอีแตเราไอตาหุมไอก็เง่นะคพวกเขาเจ้าก็จะคิดกันว่าพวกเขามีลักษณะเหมือนคนตื่นอยู่นั้นเวลาตื่นอยู่เข้าไปในถ้าไปเจอนะครับขึ้นไปบนภูเขาไปเจอถ้าแล้วไปเจอสุนัขนะครับที่หน้าหวาดกลัวแล้วก็คนในถ้าก็เหมือนกับว่านะครับไม่ได้หลับอยู่นะครับ ไอ้กอรอก็คือเขาจะมีอาลลามะคนที่เห็นน่ะจะมองไปเหมือนกับเขาก็ยังตื่นอยู่เหมือนกับอลอสซูฮานตาลาจะให้เขาเนี่ยนะครับเห็นเหมือนกับคนในถ้ำเนี่ยไม่ได้หลับนะครับเพราะว่าถ้าคนหลับเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะสั ญ, ญลักษณ์สัญญาณบอกว่าเขาหลับอยู่นะครับคนที่เห็นคนนอนหลับอยู่เขาก็จะมองดูนะครับบางคนจะมาสังเกตถึงแม้ว่าเชคอุสไซมินบอกว่าบางคนจะแกล้งหลับ นะครับถึงแม้ว่าบางคนจะจะแกล้งหลับเนี่ยแต่คนที่เขาสังเกตจริงๆเนะี่ยเขาจะรู้บางทีอยู่ที่ตาบางทีอยู่ที่บางทีอยู่ที่ออสัญญัณมือของเขาคท้าของเขาเนะี่ยนะครับก็จะดิ้นอยู่ตาก็จะขยับไปขยับมาถ้าแกล้งหลับนะมันจะรู้แต่เอาลัทธิสุนทรัตน์ด้วยกับการที่เราปกป้องพวกเขาเนะี่ยใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นนะครับก็จะคิดว่าผู้คนในถ้านะครับและสุนทรขึ้น อ, อยู่หน้าถ้าเนะี่ย ไม่มีใครหลับเลยนะครับไม่มีใครหลับเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาหลับกันอยู่เขาหลับไหลละตอนนั้นน่ะก็เช้าทําเข้าไปนะครับไม่ไม่นานอัลลอฮุสซาลลาห์ก็ให้เขาหลับนะครับก็ให้เขาหลับอ่าทีนี้นะครับเออเชก็บอกว่าวะฮุมรูคูดทั้งๆที่พวกเขาหลับอยู่เนี่ยเป็นจ้ำเป็นพวกผพูของว่ารอปดนะครับแปลว่านอนนิ่งอยู่แต่จริงๆแล้วนะครับเขาหลับนะแต่อัลลอฮุสซาลลาห์ ให้เขามีอาลามะสัญญาณเหมือนกับว่าเขายังตื่นอยู่พ่ออะไรครับพอเราต้องการปกป้องไม่ให้คนที่เข้ามาแล้วเข้าไปดูเขานะครับแล้วเข้าไปทําร้ายเขาหรือเข้าไปจับเขานะครับแต่ว่าเราสร้างความกลัวเราสร้างความกลัวนะครับใครเจอเนี่ยต้องหนีหมดแล้วอะไรคืออะลามะอะไรคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนนอนเหล่าเนี้มีลักษณะเหมือนคนตื่น ก็คือเราบอกว่าหนูกอนลิบบุหมราตัญมีนวราตฉิมันเราพลิกขวาทีซ้ายทีนะครับพลิกไปพลิกมาเหมือนกับคนนอนเล่นคนนอนคุยกันอยู่แอบมองดูไกลๆหลังสุนัข ก, ก็น่ากลัวคนข้างในก็นอนดิน้นเพราะว่าถ้าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ถ้าที่ลึกนะครับไม่ใช่ถ้าที่ลึกมากจากปากถ้าไปถึงท้ายถ้าเนี่ยน่าจะเดินไม่แค่ไม่กี่ก้าวเองนะครับแล้วก็ปากถ้าก็ไปทางทิศเหนือแล้วก็จะมี ปากประตูเนี่ยแค่ทางเดียวคือหันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะว่าดวงอาทิตย์นี่ยมันขึ้นมาทางขวามือแสดงว่าตะวันออกเน่ยอยู่ขวามือตะวันตกก็อยู่ซ้ายมือแล้วก็ทิศเหนือก็อยู่นะครับหน้าถ้าปากประตูถ้าแล้วถ้าใครมองขึ้นมานะครับคือบริเวณปากถ้ําองเขาเนี่ยภู้เขาแถวนั้นมันไม่ใช่เป็นภูเขาที่มีต้นไม้มากเป็นภูเขาหินดังนั้นถ้ำของเขาก็เป็นถ้านะครับถ้ำถ้ำหินนะครับปากประตูถ้าข้างในเป็นก้อนหินหมดเลย นะครับก็ไม่ได้มีต้นไม้ขึ้นมากมายดังนั้นอัลลอฮฺสุนตาจึงปกป้องนะครับให้พวกเขาดูเหมือนกับคนที่ไม่ได้นอนหลับโดยการพลิกพวกเขาพลิกไปพลิกมาพลิกขวาแล้วก็พลิกซ้ายอย่างนี้มอรตันยาคูนารันยามิดนะครับบางครั้งก็อยู่พลิกไปด้านขวาบางครั้งก็พลิกไปด้านซ้ายด้านซ้ายแต่ไม่มีหลักฐานนะครับเชฟกุสไซมนบอกว่าไม่ไม่ได้มีหลักฐานว่าเขาจะนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับแต่กูรันบอกว่าพลิกขวาพลิกซ้ายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ การนอนที่พลิกไปทางขวาทีไปทางซ้ายทีเนะี่ยเป็นการนอนที่ดีที่สุดนะครับเพราะการนอนคว่มหน้านะครับหรือว่าการนอนออการนอนการนอนโดยที่เอาหลังติดพื้นเนี่ยนะครับมันยังไม่ดีเท่ากับการนอนผิดด้านขวาหรือด้านซ้ายเพราะว่านะครับนักวิชาการแล้วก็ตรงตามตามสุนทรณะด้วยว่า การนอนที่ดีที่สุดคือการนอนพลิกขวาแต่ถ้าไม่เมื่อยมากๆก็สามารถที่จะพลิกซ้ายได้แล้วก็กลับไปพลิกขวาเหมือนเดิมเพราะว่าหัวใจของเรามันอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรานอนคว่าหน้าหรือว่านอนนะครับนอนตะแคงไปทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะกดหัวใจดังนั้นการนอนพลิกด้านขวาเนี่ยตะแคงขวาจึงเป็นการนอนที่ไม่มีผลกระทบกับหัวใจจึงเป็นหนึ่งในสุ น, นัขของท่านนะบีแต่ว่าถ้า เมื่อจริงๆก็สามารถที่จะพลิกซ้ายได้แล้วก็ค่อยกลับมานะครับนอนตะแคงขวานะครับนั้นคือพวกพวกเขาเนี่ยก็ถูกพลิกทางซ้ายบ้างทางขวาทีซ้ายทีนะครับทีนี้นักวิชาการบางคนก็บอกว่าพลิกมะนะครับพลิกมะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเหตุผลที่อลอสซูมาตาลาให้คนเหล่าเนี้นอนเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็พลิกเขาไปทางขวาทีซ้ายทีนะ่ะครับอโมาบางคนก็บอกว่า เพื่อที่จะไม่ให้คนที่นอนอนอนเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเนื้อเนื้อของเขาผิวหนังของเขาเนี่ยติดพื้นในท่าเดียวกันนานจนเกินไปซึ่งมันจะเกิดแผลกดทับพื้นนะครับเพราะว่าเวลาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับมันมันไปแนบติดกับพื้นนะครับและถูกกดไว้อย่างนั้นอนะ่ะเลือดก็ไม่สามารถที่จะไหลเวียนได้นะครับมันก็จะเกิด กลายเป็นแผลนะครับกดทับขึ้นมาจากสาเหตุการนอนกดเป็นระยะเวลายาวนาน mm hmm. โอลิมาบางคนก็บอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ออลล์ได้พลิกเขาไปพลิกมาแต่เชคุสไซมินบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเหตุผลที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่กลัวว่าจะเกิดแผลกดทับแต่เพื่อที่จะสร้างความสมดุลในการไหลเวียนข อ, ของเลือดนะครับไหลเวียนไหลเวียนของเลือดถ้านอนอยู่ด้านเดียวน ะ, นะครับเลือด การจะสูบฉีดไปที่หัวใจไปที่สมองไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะสูบฉีดได้ดีนะครับเพราะเลือดมันต้องไหลเวียนทั่วร่างกายต้องขึ้นไปเลี้ยงสมองบ้างนะครับสูบฉีดไปเลี้ยงทั้งร่างกายทั้งหัวใจนะครับก็เลยต้องมีการหมุนพลิกไปพลิกมาเพื่อสร้างความสมดุลของการไหลเวียนของเลือดนะครับก็วัรลอหุตะอาลาอะลัมอลลอฮ์มีฮิกมะอลลอฮ์ซุฮานตะนหุตะอาลานั้นมีเหตุผลเสมอ ในการกระทำในสิ่งต่างๆที่เราได้ไดกระทําขึ้นมาแล้วก็การกระทําต่างๆของเราจะไม่ถูกสอบสอ บ, สอบสอบสวนแล้วก็ถูกถามแต่นะครับนักวิชาการก็พยายามนะครับจะศึกษาถึงทิ่มานะครับแล้วก็มันไปตรงกับทางด้านการแพทย์นะครับในสองมุมมองที่ว่ามากลัวจะเรื่องแพ้กดทับด้วยแล้วก็กลัวในเรื่องของนะครับเอ่อการไหลเวียนรือความสมดุล ของเลือดในการไหลเวียนที่จะสูบฉีดไปในส่วนต่างๆของร่างกายในอวัยวะต่างๆของร่างกายก็วัตถุรังสิตอันลอันนี่ก็คือสิ่งที่เชฟอุ๊กไซมินได้ถ่ายทอดนะครับมาถึงฮิกมะเดี๋ยลเราได้พิกพวกเขาแล้วก็นะครับหลายหลายหลายฮิกมะนะครับหลายเหตุผลก็เพื่อที่จะให้คนที่แอบมาดูมาเจอนะครับโดยทั้งกลัวทั้งสุนัขที่อยู่หน้าถ้ำแล้วก็คิดว่าคนเหล่าเนี้นะครับเขายังตื่นอยู่ เพราะว่าหลังผ่านจากยุค ข, ของพวกเขาไปเนี่ยคนที่ไม่รู้จักพวกเขาก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพวกเขาแล้วอาจจะขึ้นมาเจอที่ถ้าแล้วก็เอ้ยเห็นสุนัขตัวใหญ่นอนอยู่หน้าถ้าแล้วก็เจอคนเหล่านี้นะครับนอนพลิกไปพิกมาเขาก็คิดว่าเออเป็นชาวเมืองที่ขึ้นมาล่าสัตว์หรือว่ามาหลบพักอยู่ตรงนี้นะครับมาอาศัยอยู่ตรงนี้เขาก็เลยไม่อยากจะเข้าไปในที่ของพวกเขานะครับ แน่นอนครับอวโลกศตรามีฮิกมะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายหลายประการที่เราทั้งรู้และก็ไม่รู้นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเพื่อที่จะนะครับให้คนที่มาเห็นพวกเขานะครับรู้ว่าคนเหล่าเนี้ยยังไม่ได้นอนหลับจะมาทําร้ายจะมาขโมยจะมาอะไรต่างๆนาๆนานะครับก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วยังไม่พอนะครับมีสุนัขตัวหนึ่งนะครับอยู่หน้าปากทาด้วยแล้วในลักษณะของวากันบูฮุม เบสิตรงศิ ร, ริองไบินวสิทธก็จะคือนอนแล้วก็เหยียดขาของมันนะครับอยู่ที่หน้าธรรมเหมือนกับเชคกุสเซมินก็บอกว่าเหมือนกับว่ามันไม่ได้หลับทั้งนั้นที่สุนัขน่ยมันก็หลับนะครับคนในธรรมก็หลับสุนัข ก, ก็หลับแต่ ล, ลักษณะของการหลับของสุนัขเนี่ยมันจะมีสัญญาณเหมือนกับมันไม่หลับคือมันนอนเหมือนกับสุนัขที่เฝ้าเวียนยามอยู่นะครับนอนท่านนอนท่านั่งของมันหมอบคานของมันนะครับที่มันเอา ขายื่นไปข้างหน้ามันแล้วก็มันก็หมอบคานอยู่แล้วก็ศีรษะมันก็ตั้งชูขึ้นมามันหลับเหมือนกับมันไม่หลับนะครับจริงๆแล้วเลาเราให้มันหลับไปแล้ะแต่ลักษณะท่าทางการหมอบของมันน่ะเหมือนกับมันไม่หลับเพื่ออะไรครับเพื่อที่คนมาเห็นนะครับคิดว่าสุนัขตัวนี้ยังเฝ้าเวียนยามอยู่เฝ้าหน้าปากถ้าอยู่นะครับไม่ให้เข้าไปข้างในแล้วก็ เป็นลักษณะท่าทางที่อัลลอฮฺสุตลตาราได้สร้างให้มันมีความน่ากลัวมากๆใครที่เห็นเราจะต้องหนีหมดเลยความน่าสะเพรงกลัวหนีหมดเลยนะครับวิ่งหนีเลยตะเวนเปิดเปิงไปเลยนะครับเพราะในายแอนกุรานเะนีบอกว่าเราวิตตะละแต่อะไรฮิมเราวลเลยต่มินฮุมฟิราเราวลและมุลิต่มินฮุมรัวบานะครับแล้วก็ อัลลอฮซุบฮานตลาบอกว่ามันจะอยู่หน้าปากถ้ำแล้วก็ใครที่มาเห็นก็จะมีอาการกลัวแล้วก็วิ่งหนีแล้วหัวใจของพวกเขาก็จะถูกเติมเต็มไปด้วยความสะเึงกลัวหน้าหวาดกลัวนะครับทีนี้มีประเด็นทางด้านฟิกอ่าประเด็นทางด้านฟิกเกี่ยวกเรื่องฟิกละพิจารณาจากอายะห์นี้เชคุสไซมีนก็บอกว่า พอมาดูหลักฐานตรงนี้เนี่ยนะครับก็เข้าสู่ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสุนัขนะเลี้ยงสุนักเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงเฝ้าบ้านได้หรือไม่นะครับก็มีประเด็นการขัดแย้งกันอยู่ของนักวิชาการซึ่งหะดีเนี่ยนะครับมีะดีสของท่านอนับดลลมุมมัสลัลลัมบอกว่า عنب ิ ه ر น ر ا ت رجع الله عن قال قال ر ล و ل الله صلى الله ع ค ي ه و س ั م من أمسك كلبا ينقص من น م ل ه كل يوم كرات إلا كلب ก ر, كل ر أو كل أو س ب ب أو كلب ماشية متفقون عليه นะครับใครก็ตามที่เอาสุนัขมาเลี้ยงผลบุญจะถูกถอดถอนออกจากเขาเนี่ยทุกวัน <c oughs> หนึ่งกิโรธคํ <c oughs> าว่ากิโรธแปลว่าภูเขาใหญ่ๆภูเขาใหญ่ๆเลยนะครับผลบุญจะถูกถอดถอนออกจากตัวเขาเนะี่ยเท่ากับภูเขาให ญ, ใหญ่หนึ่งลูกเว้นแต่คนที่เลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าสวนหรือสุนัขไว้เลี้ยงสัตว์อ่าเว้นแต่สุนัขที่เฝ้าสวนกับสุนัขที่เลี้ยงสัตว์อนุญาตให้เลี้ยงได้ นะครับแล้วก็ในบางรีววยะบอกว่าให้เลี้ยงสุนักเอาคัลบะซรอยดินเลี้ยงไว้เพื่อล่าสัตว์นะครับเลี้ยงไว้เพื่อล่าสัตว์แต่ทีนี้หลังจากที่ผมไปค้นคำอธิบายของบรรดาอุลมามะเกี่ยวกับเรื่องของสุนักไว้เฝ้าบ้านเนะี่ยก็มีการเห็นต่างระหว่างนักวิชาการนะครับเชคบินบาสเนี่ยบอกว่าจะต้องดำเนินไป ตามหลักฐานที่มีอยู่เท่านั้นก็คืออนุญาตให้เลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเจตนาในการเฝ้าสวนล่าสัตว์แล้วกเ็เลี้ยงสัตว์นะครับคือเลี้ยงฝูงสัตว์ให้สุนัขเอาไว้ไล่ต้อนนะครับได้แค่สามกรณีเท่านั้นส่วนการเฝ้าบ้านนะ่ะไม่อนุญาตเลยแต่ในมุมมองของเชคอุัยมีเนะี่ยพอท่านอธิบายตับซีถึงอายาเนี่ยนะท่านบอกว่า อันนี้เป็นหลักฐานบ่งบอกว่าเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้ามนุษย์ได้ก็คือเฝ้าบ้านนะครับเฝ้าบ้านให้ความปลอดภัยนะครับกับคนในบ้านได้อ่ากับคนในบ้านได้แล้วก็แบบเปิดกว้างเลยไม่ได้เกี่ยวกับความจำเป็นหรือไม่จำเป็นเช่อุซเมียนบอกว่าเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านได้ด้วยกับเหตุผลอะไรท่านบอกว่า เมื่อหลักฐานบอกว่าถ้าเลี้ยงเฝ้าสัตว์ได้เนี่ยการเลี้ยงเฝ้ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เหนือกว่าเหตุผลการเลี้ยงเฝ้ามนุษย์นั้นจะต้องเหนือกว่าเขาเรียกว่ากิยอสเอาลานะครับกิยอสเอาลาแต่ทีนี้เนี่ยก็โดนตอบโต้นะครับอะไรต่างๆนานาว่าเมื่อตัวบทหลักฐานมันชัดเจนนะครับมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการกิยอสก็คือ าการอนุมาล น, นะครับก็ดำเนินตามตัวบทไปว่าเลี้ยงได้เท่านี้นะครับก็เป็นการถกเถียงกันนักวิชาการโอลมาบางคนบอกว่าถ้าจําเป็นจริงๆเช่นนะครับในสถานที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึงไม่มีกล้องวงจรปิดในการที่จะเฝ้าบ้านแล้วก็เกิดกลัวว่าจ ะ, ะเกิดอันตรายก็สามารถที่จะเอาสุนัขมาเลี้ยงไว้เห่าเวลามีคนแปลกปลอมผ่านเข้ามาหรือว่ามาเข้าบ้านเพื่อที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน นะครับก็ว่ากันไปนะครับก็มีเหตุมีผลอยู่นะครับในความจำเป็นที่จำเป็นจะต้องเลี้ยงแต่ที่นี้ประเด็นก็คือว่าถ้าในมุมมองที่อนุญาตให้เลี้ยงเฝ้าบ้านได้นะครับจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่บอกว่าเลี้ยงเฝ้าบ้านได้เนี่ยนะครับมันจะเข้ากับหาดีสที่บอกว่าอัลลอฮ์จะเอาอัลลอฮ์จะเอาผลบุญออกจากตัวเจ้าของไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาบอกว่า ถ้ามันจำเป็นแสดงว่าสิ่งข้อห้ามตรงนั้นก็ตกไปเพราะว่ามันไม่มีกล้องจอปิดเพื่อนะครับเพื่อมาสอดส่องขโมยขจรที่จะเข้าบ้านนมันก็ต้องอาศัยสุนัขมาไว้คอยเห่าเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับและด้วยกับเหตุผลจะกิยสจะบอกว่าถ้าเลี้ยงเฝ้าสัตว์ได้เลี้ยงเฝ้ามนุษย์ต้องเหนือกว่าอย่างไรก็ตามแต่วิธีการเลี้ยงเนี่ยเขาเห็นพร้อมกันนะครับว่า ถ้าคุณจะเลี้ยงสุนัขจะเฝ้าอะไรก็ตามแต่คุณจะไม่เลี้ยงเหมือนกับที่เขาชาวบ้านเขาเลี้ยงกันก็คือเอามานอนในบ้านอาบน้ําให้เอาเลียหน้าเลียตาเลียปากแล้วก็เรียกลูกลักนั่นนู่นนี่อันนี้ไม่ได้นะครับต้องมีการแยกนะครับต้องมีการแยกอาหารแยกกรงไม่เลี้ยงปะปนเลี้ยงแล้วก็เป็นเป็นขี้ะบุญหมุคั้นรับหรือว่าหมูอันล้ำเป็นการเลี้ยงแล้วก็อบรม นะครับฝึกอย่างดีในการเลี้ยงที่เพื่อที่จะมันจะมาเลี้ยงแพะไม่ใช่ว่าเลี้ยงปุ๊บมันมากินแพะเราพอล่าสัตว์ก็กินสัตว์ที่ล่าไม่ใช่นะครับเขาจะเลี้ยงอย่างดีเลยเขาจะเลี้ยงอย่างดีเลยแล้วให้อาหารเฉพาะไม่เลี้ยงปะปนกับสุนัขทั่วไปเลี้ยงไว้ในกรงไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปอุ้มไม่ได้อะไรดังนั้นไม่มีเจตนาในการที่จะมาเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะให้มันมาอยู่ในบ้านมาเลียเอาน้ําลายมาเลียเป็นที่รู้กันว่าน้ําลายสุนัขเนี่ยมันเป็นเนจิสใช่ไหมครับเนจิส แล้วก็จะต้องล้างด้วยน้ําดินแล้วถ้ามันเปื้อนในบ้านมาลไรา ก, ก็ไม่เข้าบ้านโดนนะครับดึงผลบุญออกทุกวันอันนั้นก็คือเลี้ยงที่ไม่มีกรณีจําเป็นแล้วก็เอามาเลี้ยงด้วยความรักความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เกิดประโยชน์นะครับ อ, อันนี้ก็จะว่ากันไปในกฎที่ว่าเลี้ยงไม่มีผลประโยชน์ไม่มีความจําเป็นก็จะต้องโดนถอดถอนผลบุญนะครับออกทุกวันทุกวันทุกวันเลย1นึ่งกิโลเท่ากับภูเขาใหญ่ๆ แต่การเลี้ยงที่จะอนุญาตให้เลี้ยงนะครับในการเฝ้าสัตว์ล่าหรือว่าเฝ้าสวนเนี่ยเขาจะเลี้ยงอย่างดีเลยนะครับเขาจะเลี้ยงอย่างดีฝึกฝนอย่างดีเวลาล่าสัต<ๆ>ว์เนี่ยถ้าเขาไม่ใช้ปืนเขาจะใช้สุนัขล่าเน่ยเขาจะปล่อยสุนัขล่าออกไปแล้วเขาจะกล่าวบิสมิลลาฮิรราะห์มัลลัตสุนัขตัวนี้นะครับมันไปกัดแล้วเขาจะดูด้วยนะครับพฤติกรรมการกัดของมันเนี่ยมันจะกัดเพื่อกินหรือมันจะกัดแค่ล็อกเอาไว้แล้วก็ให้เจ้า เจ้าของมาแล้วก็ท่านยังมีชีวิตสัญญาณชีวิตอยู่ก็เชื่อได้แต่ถ้าหากว่ามันตายไปก่อนนะครับแต่มันไม่ถูกแต่มันไม่มีสัญญาณของการกัดกินนะ่ะคือแค่กัดตะปบที่คอแล้วมันตายนะ่ะก็ถือว่ากินได้เลยเพราะเขากล่าวบิสมิลลาฮ์ลลอฮฺของบัตตอนส่งไปนะครับแล้วก็สัตว์ตรงนั้นก็ไม่ต้องล้างน้ําดินแล้วนะครับไม่ต้องล้างน้ําดินแล้วก็คือล้างธรรมดาปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสุนัขไว้ล่าแล้วก็สุนัขทุนักล่าไอเลี้ยงเฝ้าสัตว์เขาก็จะเลี้ยงอย่างดีนนะครับให้ตอ ฝูงแพะฝูงแกะของเขาจํานวนมากก็จะมีสุนัขคอยไล่แกะหลงฝูงสัตว์เหล่านี้ก็จะถูกเลี้ยงมาอย่างดีนะครับเฝ้าสวนก็ตามแต่จะเลี้ยงมาให้มันดุแล้วก็เฝ้าสวนแล้วก็คอยตะเวนอะไรต่างๆนานานะรหรือว่ามัดไว้ใช้เชือกยาวๆในการที่จะให้นะครับมันคอยตรวจตาดูก็จะเป็นเขาเรียกว่ากีลับหมูอั้นลำท่านบุนหมูอั้นลำหรือว่ากั้นบุนหมูกั้หลับสุนัขที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีดังนั้นนะครับก็เป็นมุมมองของทาเชก มุ h a ล m อ d bin صلاة و ิ ي ว่าเลี้ยงเฝ้าบ้านได้นะครับที่บอกว่าว่าุนา ذ า دليل على جواز اتخاذ ا ل ك ลิล ل ح ر ا س ة حراسة آدمين นะครับก็คือเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าชาวถ้ำเขาเอาสุนัขมาไว้หน้าถ้ำแล้วก็ให้ตรวจตาเฝ้าคนในถ้ำเนี่ยตรงนี้เป็นหลักฐานอนุญาตให้เลี้ยงตัดเลี้ยงสุนัขไว้ เฝ้ายามได้แล้วก็ฮีโร่สตุลอาเดามียินเฝ้ามนุษย์นะครับอ่าแล้วเชค ก, ก็บอกว่าอ่า أما ฮีโร่สตุลมาชีย์ฟก็จะอาจบีฮิสุนนะวนการเลี้ยงเฝ้าสัตว์นะครับมีสุนนะยืนยันเลี้ยงเฝ้าสวนก็มีสุนนะยืนยันในสิ่งดังกล่าวและเลี้ยงเฝ้ามนุษย์เนี่ยนะครับมันเป็นบาปอาลาก็คือ เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลเหนือกว่าเดนอาเอสุดคัเอาีตวัลารัอลคมขุฮุรบติกินบ้ามนลานะครับถ้าอนุญาตให้เลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าสัตว์เฝ้าสวนไว้ละแล้วมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์มันเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นการเลี้ยงมันไว้เพื่อเฝ้าบ้านมันก็ต้องดีกว่าเพราะในบ้านมันมีทรัพย์สินเงินทองมันมีมนุษย์มันมีทั้งชีวิตนะครับชีวิตทรัพย์สินปกป้องชีวิตทรัพย์สินคนในบ้านโจรบางทีมันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เข้ามาเอาแค่ทรัพย์สินถ้ามันฆ่าได้มันก็ฆ่าดังนั้นเชฟกุซเมนก็เลยเห็นว่าการเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านนั้นมันมีเหตุผลที่ลึกซึ้งแล้วก็เหนือกว่านะครับดีกว่า นะครับไม่ได้หักล้างกับฮะ ด, ดีสแตเป็นการความเข้าใจนะครับความความเข้าใจในตัวบทหลักฐานว่าถ้าอนุ ญ, ญาตให้เลี้ยงสิ่งเหล่าเนี้ต่างๆที่มีสุนนะนั้นการที่จะเลี้ยงเฝ้าบ้านเฝ้ามนุษย์แต่ว่าแน่นอนครับมันมีเงื่อนไขาการเลี้ยงนะครับละเอียดพอสมควรไม่ใช่เลี้ยงแล้วก็เอามากอดเอามาจูบเอาน้ํำลายมันเลียแล้วก็หยุดบนเบาะโอ้โหทั้งอุจจาระปัสสาวะของมัน นะครับเต็มบ้านไปหมดอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่ไม่ว่าจะทัศนธไหนก็ไม่อนุญาตให้เลี้ยงแบบนี้นั่นการเลี้ยงแบบนั้นแหละที่จะโดนเอาผ ล, ลบุญออกนะครับจากตัวของเขาเนี่ยทุกวันหนึ่งเท่ากับหนึ่งภูเขาใหญ่มาในยาสุบินละนะครับก็ในการที่จะให้มีสุนัขมานอนเฝ้าตั้งแต่แรกแล้วออกมาเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับเวลาออกมาเนี่ย สุนัขตัวหนึ่งตามเข้ามาเนะี่ยเขาจะไล่ยัางไรเขไม่ไปนั่นแหละก็คือแผนของรัชุมหาวุตลาในการที่จะให้ตัวเนี่ยมันติดตามมาแล้วจะมีบทบาทบทบาทในการดูแลคนเหล่านี้ตลอดนะครับสุนัขเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนะนี่ยในชริอาของเราเนะี่ยไม่เปิดกว้างให้เลี้ยงก็จริงนะครับแต่พฤติกรรมที่เราสร้างมันมานะมันเป็นสุนัขที่มันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ครับแต่ไม่ใช่สุนัขพันธุ์ที่ดุร้ายเกินไปนะครับสุนัขทั่วไปเนะี่ยนะครับมันเป็น สัตว์ที่มีความซื่อสัตย์กตัญอยู่กับเจ้านายของมันนะครับถ้าสารคดีที่เราไปดูนะเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดมากฝึกฝนให้มันมีความฉลาดหลักแหลมได้นะครับมันขึ้นอยู่กับคนที่ฝึกมันนะครับมันสามารถที่จะฟังรหัสลับต่างๆนะครับฝึกขึ้นนั่นปีนนี่กัดนู่นกระโดดนี่มันทําได้หมดนะครับจนกระทั่งว่ามีสุนัขตํารวจเห็นไหม ในการดมกลิ่นในการหาผู้ร้ายในการสืบค้นนะครับถึงกลิ่นต่างๆของผู้ร้ายที่วได้ไ ด, ได้ได้ติดกับอุปกรณ์ติดกับสถานที่ต่างๆมันสามารถที่จะดมกลิ่นแล้วก็ค้นหาแล้วก็มันสามารถที่จะแยกแยะนะครับกลิ่นต่างๆได้เป็นอย่างดีหูมันดีมากนะครับอันนี้ก็คือสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งที่เอเล็กซ์ตราได้สร้างมาให้กับบรรดาสุนัขทั้งหลายแต่เชนเของเรานะครับบทบัญญัติของเราเนี่ยไม่ได้อนุญาตเปิดกว่าง ดังนั้ น, นพี่น้องมุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่ยังเลี้ยงอยู่แล้วก็ถ้าเราเห็นญาติพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมเลี้ยงอยู่ก็ไปบอกเขานะครับว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผลบุญของเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแน่นอนนะครับที่ถูกถอดถอนไปทุกวันทุกวั น, ทวนเท่ากับภูเขาใหญ่ๆถูกถอดถอนจากตัวเราไปแล้ววันหนึ่งเราทำความดีแค่ไหนแล้วการที่เราละหมาดนะครับมันมาเลียเรามันมาเลียน้าลายมันจะติดเสื้อผ้าเราติด ภาชนะติดเครื่องใช้ไม้สอยเฟอร์นิเจอร์ของเราในบ้านแล้วถามว่าเราจะละหมาด ต, ตรงไหนหรือว่าเขาไม่ละหมาดหรือว่าคนที่เลี้ยงสุนัขเขาไม่ละหมาดนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับอารรถสวัสดิ์ลาจะไม่เข้านะครับบ้านที่มีรูปภาพมีรูปเสมือนจริงมีกระดิง่งแล้วก็มีสุนัขนะครับแล้วยังไม่พอถูกถอดถอนความดีออกเท่ากับภูเขานั่งพี่น้องมุสลิมที่เลี้ยงอยู่นะครับต้องตัดใจนะครับปล่อยมันไปเอาไปให้คนอื่น นะครับเอาไปให oh. right. ้คนอื่นแล้วก็อย่าได้ทรมานมันนะครับอย่าได้ทรมานมันแล้วก็ต้องตัดใจปล่อยให้กับคนอื่นไปนะครับให้กับคนอื่นไปเพราะมุสลิมเราเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้นอกจากเลี้ยงอย่างที่ผมบอกนะครับเลี้ยงที่มีเหตุจำเป็นเลี้ยงที่เฝ้าสวนเฝ้ายามเลี้ยงสัตว์แล้วก็ล่าสัตว์นะครับแล้วก็ต้องไปศึกษาด้วยนะครับเรื่องนี้มีมีหลักการเยอะแยะมากมาย อตัตมานะครับว่กาก็ ذلك บาอัสนาฮุมริยตซสาอาลูบ بينهم ก, ล, กล่าวข้าวิลมมินหนุมคัมลาบิสตุมนะครับหลังจากที่คนเหล่านี้เขาตื่นขึ้นมาอัลลอฮฺสุลตาระตรตัสว่าว่กาก็แทลิกัและในทํานองนั้นเนี่ยบาอัสนะฮุมเราได้ทําให้ฟื้นขึ้นมาคําว่าฟื้นตรงนี้หมายถึงตื่นขึ้นมานะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าการนอนหลับเนี่ยอัลลอฮฺสุลตราระจะตรัส ด, ด้วยกับคําใช้ว่าอบาอัสนา นะครับบะทที่จริงๆแล้วมันแปลว่าคำให้ฝื้นเพราะคำว่าหลับนอนหลับเนี่ยอันเนามุอะคุณเมาติมันคือพี่น้องของความตายวิญญาณของเราก็นะครับตายไปชั่วขณะนะเราตายไปชั่วขณะ แล้วก็เราก็ส่งวิญญาณนั้นกลับคืนมาในอันกุรานบอกเรืองมากมายนะคะว่าอาวาสุมาตลาลให้เขาได้ต า, ตายไปในช่วงกลางคืนแล้วก็ได้ฟื้นมาทําภารกิจในช่วงกลางวันอวสุใช้คําว่าการนอนคือความตายคือการตายเล็กตายชัว่วขณะไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นนะครับซึ่งเราได้รับบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นคืนชีพนะ่ะ ใกล้ตัวเรามากแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วหลายๆคนที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเนะี่ยสิ่งเหล่านี้อลัลลอฮ์ก็ให้เกิดขึ้นกับเขาแต่เขาคิดไปไม่ถึงเขาคิดว่าการนอนหลับก็คือการนอนหลับไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับความตายแต่มุสลิมรู้ดีว่าเนี่ยมันเป็นการจําลองว่าทุกวันนี้เนะี่ยพอตกกลางคืนมาทุกคนเราก็ต้องตายแต่เป็นการตายแรกและสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็เอาวิญญาณซึ่งในบางอายะห์บอกว่าบางครั้งเนี่ยการตาการนอนของเขาก็คือ การความตายของเขาที่อัลลอฮฺจะถอดวิญญาณและไม่ให้วิญญาณเขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือไหลตายหรือหลับตายไปแล้วก็จะไปเฟื้นอีกทีในวันเกียร์มาบางทีนะครับคนที่ปฏิเสธพระเจ้าคนที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพนะอัลลอฮฺได้จำลองสถานการณ์ให้กับเขาทุกวันทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนหลับไปก็คือการตายเล็กแต่คนเหล่านี้กลับปฏิเสธนะครับการฟื้นคืนชีพในวันเกียร์มาจะมีได้ยังไงถ้าตายไปแล้วกระดูกมัน ผลปีนะครับไปหมดแล้วมันจะฟื้นคืนชีพได้ยังไงก็ใช้ตักกะสมองป่วยของเขานะครับมาปฏิเสธความยิ่งใหญ่การฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับอัลลอฮ์สุลฮานุตาลาและประชาชาติแต่และประชาชาิก็ปฏิเสธเรื่องนี้กันมากอัลลอฮ์สุลฮานุตาลาก็เลยจ ำ, ก, ยจำก็เลยจำลองการฟื้นคืนชีพที่นอนหลับอย่างยาวนานเลยนะครับเป็นไป300กว่าปีแล้วฟื้นคืนชีพมาโดยที่ร่างกายยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ได้กินอะไร นะครับไม่มีความอันตรายเกิดขึ้นกับเขาเลยจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์สุลฮานุตาลาตรัสว่าวะกะซาลิกละไลในทํานองนั้นแหละบาอัสนาฮุมเราได้ทําให้เขาฟื้นขึ้นมาก็คือตื่นมาจากความตายนี่อัตซาอาลูไบนะฮุมแล้วก็พวกเขาก็มาถามถ่ายกันนะครับว่ากอลากอิลุมมินฮุมกัมลาบิสตุมคนหนึ่งก็คู่พูดขึ้นมาว่านี่เราหลับไปนานเท่าไหร่เนี่ยกลูลาบิสนาเยอมันเอาบางต่อยอมบางคนก็ตอบว่าเราหลับไปสักวันหนึ่งมั้ง บางคนก็บอกว่าน่าจะแค่ครึ่งวันเองนะครับก็ลูรอบบุกุมอะและบูมีมาลับิสตุมแล้วก็พวกเขาก็พูดกันว่าอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่รู้ว่าเราเนี่ยพวกท่านทั้งหลายหลับไปเท่าไหร่ฟาบอาซูอัลเดกุมบิวาริคิกุมฮาดิฮีอิลันมดีนัที่ฟันฟันจังซูอายูฮะอัลกาตโอะมังฟันจะติกุมบิริสกิมมินหัวนัทตะลัตทอฟนะครับแล้วก็เขาก็พูดกันว่านั้นเดี๋ยวเราส่งตัวแทนของพวกเราไปเนี่ยนะ เอาเงินนี่ไปนะเอาเงินเหรียญเงินเนี่ยไปในเมืองแล้วไปดูซิไปเลือกอาหารดีๆมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอาอาหารนั้นมานะครับแล้วต้องระวังนะไปแบบเงียบๆอ่าไปแบบเงียบๆระมัดระวังใคลายคานะอย่าพูดมากอา่านะครับระมัดระวังอย่าให้ใครรู้อย่าให้ใครให้ใครเห็นและอย่าให้ใครจับได้ว่าพวกท่านเป็นใคร นี่คือบทสนทนานะครับของกลุ่มชายหนุ่มที่ยังไม่รู้เลยเขาว่าตัวเองฟื้นขึ้นมาจากการนอนถึง3ามปีนะพูดวางแผนกันมาชาลเราลองนึกภาพตามนะครับพอคุยกันวางแผนกันระวังนะไปอย่าไปคุยกับใครเยอะนะแล้วอย่าให้ใครรู้ใครเห็นและอย่าให้ใครรู้ว่าพวกท่านมาจากไหนมาชาวว่านี่คือการระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทําไมเขาถึงระมัดระวังแบบนี้อ่ะเราไปดูคําอธิบายนะครับ เชโกไซมินบอกว่าได้ทำนองนี้เนี่ยที่อัลล์บอกว่าเราได้ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็จะถามกันตรงนี้ไม่ใช่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มันเพื่อตั้งคำถามกันนะครับแต่เชคกไซมินบอกว่ามันเป็นปกติคำสำหรับกลุ่มคนที่เขานะครับหลับไหลไปเนะี่ยจะนอนหลับธรรมดาเหมือนพวกเราก็ตามแต่นะพอตื่นขึ้นม า, าก็จะถามกันว่ากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วหลับนานหรือยังอะไรประมาณเนี่ย เออเราหลับไปกินชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะถามกันเหมือนกับคนเราเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาก็จะมีอาเดมีธทรำรเนียมปฏิบัติเหมือนกับบุคคลทั่วไปซึ่งเขาก็จะถามกันว่าเอ้่นี่เราหลับกันไปนานหรื อ, อยังนะครับแต่การตั้งคําถามขเขาเราเนี่ยมันมีไนยะนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ถามขึ้นมาเหมือนกับเราหลับไปเนี่ยบางคนมันหลับลึกใช่ไหมครับหลับไปเอ่อหลับไปตอนเช้ามืดหื อ, อเหนื่อยมาก หลับไปตอนเช้ามือตื่นมาอีกทีมันเย็นแล้วมันโพเพเหมือนกันคือมันมีแสงมืดๆคล้ายๆกันเขาก็เลยถามว่าเอ้เนี่เราหลับไปกี่ชั่วโมงนี่มันยังนี่มันยังเช้าอยู่หรือว่ามันค่ําแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปดูหรือว่ายังไม่ได้ดูนาฬิกานะครับก็ได้ถามกันแต่ว่าคนเราเนี่ยเขาถามกันเพราะมันมีมันมันเป็นไปได้ว่าเขามองไปโดยรอบแล้วก็มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะตั้งสามร้อยเก้าปีเนี่ยเอ้มันแปลกๆนะนะครับทางข้างนอก อาจจะมีต้นไม้อาจจะมีหญ้าอาจจะมีอะไรที่มันแปลกตาไปเขาก็เลยถามว่านี่เราหลับไปนานหรือยังนะครับนี่เราหลับไปนานหรือยังนะครับก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับที่เชคกเซมีนบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต่างเวลานอนหลับกันหลายนลนย่นก็จะถามกันว่านี่เราหลับกันไปนานหรือยังนะเอาต่อมานะครับเออเชโกเซมีนก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าเราหลับไปวันเต็มเต็มเพราะ ตอนที่เขาเข้าไปในถ้าเนี่ยมันเป็นช่วงตอนใสสายละใสสายล ะ, ยย แ, ละแล้วพอเขาตื่นมามันก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับเย็นๆเขาก็คิดว่านอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองนอนใสสายมาถึงยามเย็นก็แป๊บเดียวสี่ห้าชั่วโมงเองนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊หรือว่าเรานอนไปอีกวันหนึ่งเวลาตอนใสสายแล้วตื่นมาอีกสายของอีกวันหนึ่งก็คือเขาก็เลยบอกว่าเรานอนไปหนึ่งวันและบางคนก็บอกว่านอนไปแป๊บเดียวนะครับนอนไปแป๊บเดียวเอง อแล้วก็แต่ละคนก็บอกว่านะครับแล้วก็มีคนบางคนในกลุ่มพวกเขาก็บอกว่าก็รู้รอบบุกุมอะและมูบิมาละมิสตูมอัลลอฮฺเท่านั้นที่รู้ว่าเราหลับไปนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางคนเน่ยเริ่มรู้สึกละมองไปข้างๆนะครับมองไปข้างๆเอ๊ะมันเริ่มเห็นอะไรแปลกๆว่ามันไม่เหมือนกับการที่เราท่านเรานอนไปเมื่อกี้สี่ห้าชั่วโมงแต่ทําไมมันมีอมันมีมันมีอะไรที่มันแปลกตาไปอ่ะ มันต้องมีเป็นกา ร, ระะเป็นระยะเวลาที่มันไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆบางคนเริ่มรู้สึกนะครับก็เลยบอกพูดขึ้นมาบอกว่าอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่รู้ว่าเราหลับไปนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทีนี้อ่ะพวกเขาก็ยังไม่สรุปว่าเขานอนหลับไปยาวนานแค่ไหนเขาก็เริ่มหิวละเริ่มหิวแล้วทีนี้แต่ละคนพกเงินมานะติดตัวมาบ้างก็มีเหรียญดีนาร์เหรียญดีดทำนะครับเป็นเหรียญดีดทำก็ว่าเหรียญดีดทำเนี่ย คือเหรียญเหรียญเงินเหรียญดีนาร์เนี่ยคือเหรียญทองแล้วทีนี้เนี่ยพวกเขานะครับก็เลยพูดกันขึ้นมาว่าดีนี้เราจะส่งตัวแทนไปนะเอาเหรียญเงินนีไนะนนะ้ไปในเมืองนะไปในเมืองอ่บีวริกเต้กลุ่มวอริกเนี่ยแปลว่าเหรียญเงินฟิสบอลแปลว่าเงินนะครับแล้วเอาไปไหนล่ะเอาไปในเมืองนะแล้วไปดูนะอาหารดีๆนะครับอาหารดีๆแล้วเอามาให้กับพวกเรานะ ตรงนี้เช็กอุส่าบอกว่ามันเกิดประเด็นทางด้านฟิกขึ้นมาพอพูดถึงประเด็นนี้เช็กุซส่าก็โยงไปเรื่องประเด็นฟิกนะครับประเด็นเรื่องของนิติศาสตร์เช็กอุตส่าบอกว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าอนุญาตในการที่จะใหะ้มีตัวแทนในการซื้อขายได้ซื้อขายก็มีตัวแทนในหน้าใช่ครับซื้อขายมีตัวแทนขายได้แต่ว่าสินค้าที่เขานาไปขายเนี่ยจะต้องมีนะครับโบชัว จะต้องมีรูปภาพแล้วก็จะต้องมีอยู่จริงนะครับเป็นนายหน้าขายมีสินค้าในสต็อกอยู่จริงสามารถที่จะให้มีว ก, กีนตัวแทนในการค้าขายได้เป็นที่อนุญาตพิจารณาจากอายาเนี่ยให้คนหนึ่งเอาเงินกองกลางเนี่ยนะครับอ่าไปซื้อขายก็คือไปซื้อก็ได้ไปขายก็ได้นะครับเพราะว่านาบีเนี่ยเคยทำไว้นบีมุฮัมมัดสุลสลามเคยทา รูปแบบนี้ไว้ก็คือว่าครั้งหนึ่งนะครับท่านอาบีได้วานให้กับซาฮับคนหนึ่งของท่านไปซื้อแพะมาทําอุต hiyat หนึ่งตัวและนับีก็ให้เหรียญดีนาต์ไปซึ่งเป็นเหรียญทองนะครับนบีให้เป็นหนึ่งเหรียญดีนาต์เท่านั้นเองแล้วชายคนเนี้นะครับเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจก็เลยคิดว่าต้องหนึ่งดิน่าต์ของนบับีต้องได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเขาเอาหนึ่งดีนาต์ไปซื้อแกะได้สองตัว นะครับคือซื้อแกะได้สองตัวหนึ่งดีนัทซื้อแกะได้สองตัวแต่พอซื้อได้สองตัวแล้วเขาก็ขายเอาไปขายแกะหนึ่งตัวได้อีกหนึ่งดีนัทนะครับแกะมีสองตัวหนึ่งสองตัวซื้อด้วยกับจํานวนเงินหนึ่งดีนัทแล้วทีนี้เขาเอาแกะไปขายนะครับได้มาอีกหนึ่งดีนัทเท่ากับว่าหนึ่งดีนัทของนบีก็ยังมีอยู่แล้วได้แกะมาอีกหนึ่งตัว แล้วก็เอามาให้กับ น, นบีแล้ว น, นบีก็ขอดูอาให้กับชายคนนี้นะครับนบีก็ขอดูอาให้กับชายคนนี้อัลลอฮ์ไอยูบาริกัลลอหฮูลหฮูฟีบัยคือขอให้เขานั้นมีบารอกะมีความจำเริญในการค้าขายแล้ว น, นบีก็บอกว่าชายคนเนี้ยค้าขายดินก็ได้กําไรนี่คือดูอาที่มีบารอกะนะครับแล้วชายคนเนี้ยกลายเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เลย น, นบีขอดูอาให้กับใครอ่ะนะครับดูอานั้นมุสตาญบ น บ, บีเคยขอดูแลให้กับสหบที่บริจาคสวนอินทราลามกลายเป็นนะครับอับดุลฮะมานบินเอากลายเป็นมหาเศรษฐีที่ยั่งยิ่งใหญ่บรรดาสหบะติหลายคนนะครับที่น บ, บีขอให้มีบรารักะมีลูกมีหลานจํานวนมากนะครับมีความรู้อย่างเช่นอิมรุอับบาสมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากในเรื่องตับซิดแล้วก็บางคนก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะว่าเสียสละในอิสลามน บ, บีก็ขอหนึ่งในนั้นก็คือสหบะติคนนี้นะครับซึ่งผมจําชื่อไม่ได้ล้วนะครับ และเชฟกุยซเมนท์่านก็ไม่ได้ได้บอกชื่อเอาไว้แต่ว่าผมเคยอ่านฮะดิษบท น, นี้อยู่นะครับมีซาบะท่านหนึ่งที่ในฮะดิษ์ บ, บอกชื่อเขาอยู่นะดังนั้นในคนํานะบีก็ให้เงินไปหนึ่งดีนะัสในการที่จะไปอะไปซื้อมาน บ, บีแค่ บ, บอกว่าเอาอุตเฮียมาแล้วชายคนนี้เอาอุตเฮียมาได้ตามเจตนาลมของนะ บ, บีแล้วก็ยังเอาไปขายขายแล้วได้เงินให้กันนะนบนบีน บ, บีก็ไม่ได้บอกว่านะครับน บ, บีฮารอมนะทําไม่ได้นะคุณเอาไปทําอย่างนี้ได้ไง ถ้าตามไดก็ตามสิ่งที่มอบหมายไปไม่เสียหายและไม่ได้ยุ่งกับของฮารอมมันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ฮาลานอยู่คนที่เราจ้างวานให้ไปทำธุรกรรมการเงินของเราด้วยกับความสมัครใจความเห็นพ้องของเรานะเป็นที่อนุญาตผมมีเงินอยู่หนึ่งพันแล้วผมก็บอกคนเพื่อนผมว่าคุณเนี่ยค้าขายเก่งนะอาผมอนุมัติเลยเงินหนึ่งพันผมเนี่ย คุณช่วยเอาไปต่อยอดหน่อยแต่เงื่อนไขของคุณคือธุรกิจนั้นต้องฮาลานนะน ะ, ะธุรกิจฮาลานนะแล้วก็อไม่เป็นไรขาดทุนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ธุรกิจต้องฮาลันคุณเอาไปคนนี้ก็เอาไปจากหนึ่งพันเขาได้มาห้าพันแล้วก็มาบอกแล้วว่าธุรกิจฮาลานนะนะครับเอาฮาลานมาฉลองตรวจสอบแล้วฮาลันเห็นไหมครับหนึ่งพันเอาไปทำห้าพันด้วยความยินยอมแล้วก็ต้อง นะครับต้องเผื่อเหลือด้วยนะว่าถ้าเอาไปทําแล้วมันขาดทุนอนะ่ะมันฮาลานก็จริงแต่มันขาดทุนแล้วก็ต้องเลือกคนด้วยนะครับที่พอดีว่านาบีเลือกคนเนี่ยคนจะเป็นเลือกการเลือกคนที่ถูกด้วยนะครับเพราะนาบีเนี่ยจะรู้จักตัวบัตนบีเป็นอย่างดีนบีเป็นผู้นําที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นําอย่างเดียวแต่นบีจะมีความเข้าใจความรู้จักการเข้าถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของนบีเวลานาบีสอนเนี่ยนบีจะมองหมดเลยนะครับ คนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนเขาเป็นอะไรนะเวลานาบีพบปะผู้คนนบีจะรู้เลยว่าใครหายไปไหนลองไปถามดูสิคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนะครับที่คือลักษณะของผู้นําที่แท้จริงที่ไม่ได้นําด้วยกับเพียงแค่อํานาจแต่นําด้วยกับหัวใจและจิตวิญญาณความรักความเอาใจใส่ใครเป็นยังไงใครจะแต่งงานนาบีจะเป็นเท่าแก่ไปขอให้ใครเป็นยังไงนบีจะถามไถ่ทุกสุขอยู่ตลอดเวลานั้นนบีจะรู้ดีว่าคนนั้นค่ะ ข า, ขายเก่งคนนี้เก่งเรื่องรบคนนี้มีความเป็นอย่างไรเป็นมีความอดทนมีลักษณะยังไงดังนั้นเวลาคนมาหานาบีเนะี่ยเวลาเขาถามนาบีว่านาบีครับช่วยบอกผมหน่อยว่าการงานอะไรดีที่สุดดังนั้นเราจะเห็นว่าทัาดีิสที่นบีบอกกับคนนี้อาจจะไม่เหมือนคนนี้ก็ได้นบีคนนี้มาถามว่าอบีช่วยเตือนผมหน่อยนบีก็บอกว่าลาตักดอบลาตักดอบอยา่ยาโกรธอย่าโกรธทำไมอับบีพูดกับอีกคน นะครับด้วยกับการงานอีกการงานหนึ่งแต่พอมาพูดคนนี้บอกว่าอยา่าโกรธอยา่าโกรธเพราะนาบีรู้นิสัยของแต่ละคนดีว่าคนเนี้ยที่มาถามองอยากจะให้ฉันเตือนอะไรนาบีก็รู้ดีว่าคนเนี้ยเป็นคนขี้โกรตนบีก็ว่าอยา่าโกรธอยา่าโกรธแล้วคําสอนเนี่ยมันไม่ได้เจาะจงเพียงแค่ใชยคนนี้มันกินความครอบคุมทั้งประชาชาติเพราะวะ่าสิ่งที่นาบีสอนเนี้ยมันเป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่อารมณ์ของนบีแต่เอ่อในใน ทางบริหารทางทางสภาวะแห่งการเป็นผู้นำนาบีนะีนบีจะรู้จักคนเหล่านี้เป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการเฉพาะอัลลอฮฺสุลตัลลก็ลงวะฮีมให้กับบีบอกนี้บอกนี้แบบบอกแบบนี้นะครับแล้วในความเป็นจริงนบีเองก็รู้ด้วยว่าคนแบบนี้มีลักษณะแบบไหนนะครับบีก็เลือกให้ชายคนนี้ไปหรือ อ, อุดฮีย แกะให้กับท่านนับีมาทํากุฎบานชายคนนี้ก็เอาไปลงทุนนะครับไม่ได้ถามนับีด้วยนะครับว่าจะาไปลงทุนได้ไหมแต่ด้วยความเก่งของเขาอ่ะหดีนาต์อบีเข้าใจว่าคงจะซื้อได้แกะหนึ่งตัวแต่ชายคนนี้ไปซื้อแกะ2ตัวแล้วยังเอาไปขายตัวละ 1, <S <S 1> ดีนาต์ได้แล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งดีนาต์อบีก็เลยขอบราร์ระกาให้กับเขาเราบอกว่าชายคนเนี้ยขายดินก็รวยขายดินก็จะได้กําไรก็เป็นดุอาะนะครับเป็นด แล้วเชฟอุซามินก็บอกว่าฮะดีสบทนี้นั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตในเรื่องของตอซรุฟดูลีนะครับก็คือเอาไปลงทุนให้ได้กําไรที่มากกว่านะครับการเอาไปลงทุนในสิ่งที่สามารถจะเพิ่มพูนกําไรที่ได้มากกว่าเงินต้นทุนนะครับเงินทุนก็คืออนุญาตให้คนคนหนึ่งเอาเงินของอีกคนหนึ่งเอาไปทำธุรกรรมธุรกิจ นะครับโดยที่เจ้าของเงินนั้นรู้เห็นเป็นใจและพอใจในข้อตกลงและซับและก็ธุรกรรมนั้นธุรกิจนั้นจะต้องไม่หรอมไม่มีสิ่งหรอมเจริญนะครับจะเอาไปทําอะไรก็ได้ที่ฮาลานจะเไปทำอ่าไปแจกแจงไปลงทุนนะครับไปจัดการธุรกรรมธุรกิจอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแล้วถ้าหากว่าเจ้าของพอใจ คือว่าอนุญาตนะครับจากอายาเนี่ยมันโยงไปในเรื่องฟิกเหมือนกับที่ชายชาวถ้าเนี่ยบอกว่าเอาเงินนี้ไปนะอ่าแล้วไปในตลาดไปเลือกดูอาหารดีๆมาอันนี้ในแง่มุมของการซื้อแล้วเอาแง่มุมของการลงทุนก็ได้ซื้อขายก็ได้นะครับได้หมดแต่เงื่อนไขก็คือว่าจะต้องคารานนะครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับหลัก เอ่อมาถึงอายาที่บอกว่าฟันยังรุษอายุฮะอัจกาต่ออามันฟันยะติกุมบดริสกิมมินหูนะครับแล้วเขาก็พูดกันว่าไปในตลาดนะไปเอาอาหารดีๆมานะไปเอาอาหารดีๆมารับประทานกันหน่อยเอามากินกันหน่อยตรงนี้เชคกุซลหมายว่าเป็นหลักฐานอนุญาตนะครับให้กับใครคนใดคนหนึ่งที่จะสแสวงหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตเขาได้เออถ้าสิ่งนั้นนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องฟุ่มเฟือย เงินฐานะนานๆเราจะกินอาหารรูนูนะครับได้มีเงินไม่มากแต่ว่าอพอเงินเดือนออกอาจจะไปกินอาหารดีๆพาครอบครัวไปกินอาหารดีๆไม่เข้าขายฟุ่มเฟือยหาอาหารดีๆนะครับที่ดีสําหรับเราอาจจะไม่ใช่อาหารจานละเป็นหมื่นเป็นแสนแต่อาจจะไม่เคยกินหลักพันก็ไปกินหลักพันร้านอาหารก็เป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทําได้นะครับเหมือนชายคนเราเนี่ย เขาตื่นมาเขาอาจจะเพลียเขาอาจจะหิวก็บอกไปอาหารอาหารดีๆมากินกันหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ตามใดก็ตามที่มันไม่เข้าข่ายของการฟุ่มเฟือยเกินความสามารถเกินฐานะกินเป็นประจําจนทั่งว่ากระเป๋าฉีกกระเป๋ารัา่วอันนั้นก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าให้รางวัลกับชีวิตเนี่ยคือเขาเรียกว่าคําศัพท์ที่เราใช้กันให้รางวัลกับชีวิตบ้างนะครับนานๆพาครอบครัวไปกินอาหารดีๆบ้างนะครับ จากเราเคยกินหลัก10บหลักร้อยก็คืออัพมาเป็นหลักพันบ้างอะไรประมาณนี้ก็คงไม่ต้องถึงหมื่นถึงแสนนะครับพอเดี๋ยวก็จะกลายเป็นนี้อีกเอาแค่หลักพันเอาดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับไม่ใช่พอบางคนบอกว่าฉันกินอาหารของฉันหลัก10บหลักร้อยมาตลอดถ้าขึ้นไปกินหลักพันเดี๋ยวจะเข้าไข่ฟุ้มเฟือยเดี๋ยวจะบาปไม่ใช่นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเชฟกุสิมินว่าอันนี้เป็นหลักฐานนะครับที่มาชี้แจงว่า เราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่อัปริยะสิ่งที่ดีนะครับดีสำหรับเราอ่ะนะครับดีที่สุดสำหรับเรานะครับนานๆครั้งในบางครั้งก็เป็นที่อนุญาตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นหลักฐานในการตอบโต้คำพูดของนักวิชาการบางคนที่บอกว่านะครับอ่อ คำพูดของนักวิชาการบางคนนะครับที่บอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้คุณลักษณะกับสินค้าบอกว่าไปซื้อของที่ดีที่สุดใช้พูดแบบนี้ไม่ได้นะครับเขามีนักวิชาการบางคนนะครับเขาบอกว่าห้ามใช้คำพูดหรือว่าการที่จะไปบอกคุณลักษณะสินค้าของเราบอกว่าฉันมีของที่เจ๋วที่สุดห้ามพูดสมมติเราจะขายสิ น, สนค้าแล้วเราบอกว่าของผมเนี่ยแจ๋วสุดอันนี้พูดไม่ได้ นะครับเชลูซีเมนว่าตรงเนี้ยจะเป็นหลักฐานตอบโต้คนเหล่านี้ว่าคําว่าเป้าหมายของคําว่าของผมเนี่ยเจ๋วนะครับไม่ได้บอกว่าเจ๋วที่สุดในดุนยาไม่มีของใครเจ๋วกว่านี้อีกแล้วไม่ใช่เพราะอันนั้นมันโกหกแน่นอนแต่เชลูซีเมนบอกว่ามันขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติธรรมเนียมของสังคมเช่นชายคนเหมือนกับชาวถ้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปตลาดนะ แ ล, แล้วไปซื้ออาหารที่ดีที่สุดมานะคําว่าดีที่สุดของเขาก็คือในยุคของเขาตรงนั้นนะนะครับไม่ใช่ว่าอาหารของเขาดีที่สุดจะยุคไหนก็ดีไม่เท่าแล้วมันไม่มีใครไปนะครับให้ความหมายแบบนั้นหรอกแต่เขาบอกว่าให้ดีณเวลานั้นอาจเอาอาหารณเวลานั้นของเขาอาจจะเป็นแกงเนื้ออสมมติเป็นอาหารที่ดีแล้วเงินของเขาเนี่ยถ้าพอซื้อเอามาเลยนะดีที่สุดในตลาดดีที่สุดในช่วงเวลานั้นด <cam> ีที่สุดในสังคมนั้น เราก็สามารถพูดได้แต่ถ้าวันนี้มีคนบอกว่าของฉันไม่มีใครจะเทียบแล้วในดุนยานี้อันนั้นโกหกแน่ๆครับอันนี้จะเป็นเข้าข่ายโกหกซึ่งนักวิชาการบางคนบอกว่าห้ามพูดโดยมุตลักเลยก็คือว่าห้ามพูดโดยโดยครอบคุมเลยนะครับจะช่วงเวลาไหนจะมีเนียดยังไงก็ห้ามพูดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ามีของดีก็ยังต้องมีของดีขึ้นไปอีกแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆดังนั้นคุณพูดแบบนี้เข้าข่ายโกหกดังนั้นการที่เราบอกว่า นะไปซื้อของไปซื้ออาหารดีๆมาเนี่ยนะครับในเป้าหมายของเขาก็คือว่าอาหารที่ดีที่สุดที่เราพอจะมีปัญญาซื้อหรือว่าอาหารที่ดีที่สุดในตลาดนั้นนะอร่อยอร่อยที่แพงๆที่ในตลาดนั้นก็คงจะในตลาดก็คงไม่ถึงหลักพันแน่ๆครับหลักร้อยนะสี่สามร้อยสี่ร้อยในตลาดแต่ถ้าขึ้นห้างก็ว่ากันไปอย่างเอาไปซื้อตลาดเอาอาหารดีๆมาเลยอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะไปเดินดูตามร้านอันไหนที่ ดีๆหน่อยก็น่าในหลักเกณฑ์ ก, การค้าในตลาดก็น่าจะหลักร้อยคงไม่ถึงพันถึงหมื่นนะครับเขากําลังให้ความหมายแบบนั้นดังนั้นการใช้คําพูดแบบนี้ในการค้าขายแล้วมีเจตนารมแบบนี้ไม่ถือว่าผิดนอกจากจะมีเจตนารมข่มผู้อื่นตัดหน้าตัดราคาผู้อื่นต้องการที่จะ discredit ผู้อื่นแล้วก็บอกว่าของตัวเองนี่เจ๋งที่สุดไม่มีใครเจ๋วกว่านี้อีกแล้ว ดันงนั้นที่สินค้าตัวเองก็เหมือนกับคนอื่นแล้วก็ไปบอกว่าของคนอื่นเนี่ยโอ้ของปลอมของก๊อปดังนั้นที่มาจากแหล่งเดียวกันแล้วก็บอกของตัวเองเจ๋วสุดนะครับคือแฝงการโกหกอันน ok ี้ไม่อนุญาตนะครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้ณปัจจุบันรุ่นนี้ดีที่สุดละนะปัจจุบันรุ่นนี้เจ๋วสุดละนะครับในตลาดนี้อาหารนี้นะครับโอ้อาหารนี้น่าจะเจ๋วสุดราคาดีสุดอร่อยสุดแล้วเป็นที่รู้กันว่าร้านเนี่ยอร่อยสุดในตลาด อันนั้นก็เป็นที่รู้กันในตลาดในช่วงเวลานั้นในวันนั้นแต่อนาคตเราไม่พูดถึงนะครับเราแค่พูดถึงในช่วงเวลานั้นดังนั้นจึงในหลักฟิกนะครับถ้าเราจะพูดในในสินค้าของเราโฆษณาสินค้าของเราก็ไม่อนุ ญ, ญาตให้โฆษณาเกินเลยโกหกตัดหน้าดิสเครดิตคนอื่นแล้วก็โกหกใส่ผู้อื่นการค้าขายถือว่าหารอมนะครับการค้าขายถือว่าหารอม ตัดหน้าขายของเหมือนกันแต่ไปตัดราคาอันนี้ก็ฮารอมนะครับโกหในการค้าขายก็ฮารอมนะครับปิดบังทงั้งๆที่ว่าของตัวเองกับของอีกเจ้าหนึงมาจากแหล่งเดียวกันแล้วก็บอกของตัวเองนั้นมาจากแหล่งที่ดีกว่านะครับและของคนอื่นนั้นเป็นของปลอมของกอ๊อปอะไรต่างๆนานาแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อเกินเลยนะครับไม่มีความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในกรอบของความเป็นจริงถือว่าการค้าขายนั้นต้องห้าม นะครับไม่อนุญาตอิสลามจะต้องโปร่งใสชัดเจนปราศจากดอกเบีย้ยปราศจากอรัดก็คือความคุมเครือไม่ชัดเจนรูปภาพไม่ชัดเจนสินค้าไม่ชัดเจนวันเวลาไม่ชัดเจนโกงอะไรต่างๆ น, านาั่นนะบาปฮารอมริสกีไม่มีบาระกะนะครับต้องระมัดระวังนะครับเออ่แล้วต่อมานะครับฟันยะตติกุมเออ วันยาที่กุมริษกิ ม, มินหูนะครับแล้วก็ในอันกุรานอัลลอฮ์ได้ตัดไว้ว่าพวกเขาก็บอกว่าหลังจากที่ไปซื้อแล้วเนี่ยก็ให้คนนั้นเอาอาหารเนี่ยมาให้กับพวกเรานะวันยาะตาะละตอฟก็คือว่าออกไปเนี่ยรัวังตัวให้ดีย่านะครับเอออย่าเปิดเผย ต, ตัวตนออกไปแบบเงียบเงียบนะครับแล้วก็พยายาม นะครับพูดน้อยๆอย่าพูดเยอะเพราะเดี๋ยวพวกคุณน่ะจะโดนจับได้นะครับเดี๋ยวผู้คนจะโดนจับได้ อ, อย่อันนี้อันฮุมซอนนุ่งอันฮุมลำยันบิซูอลากอริลล่านะครับเพราะเขาหลังจากที่เขาพูดคํานี้ออกมาเนี่ยเชคอุไซมินบอกว่าเหมือนกับว่าเนี่ยเขาเริ่มจะรู้ตัวขึ้นมาบ้างแล้วว่าเขาไม่ได้นอนแค่วันหรือครึ่งวันแน่นะครับ เขาไม่ได้นอนครึ่งวันหรือว่าเขาไม่ได้นอนแค่หนึ่งวันแต่เขาเริ่มจะรู้สึกตัวแล้วว่าเขานอนเป็นระยะเวลาที่มันนานมันานานกว่านั้นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าแน่นอนว่าลักษณะการแต่งกายอะไรต่างๆของเขาน่าจะแปลกกว่าคนอื่นหรือเขาอาจจะคิดว่าเออคนไม่ดีคนชั่วนะ่ะก็ยังอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เขาก็เลยพยายามวางแผนกันว่าออกไปเนะี่ย ไม่ต้องไปคุยอะไรกับใครมากนะเซฟตัวเองดีๆนะแล้วก็ระมัดระวังตัวให้ดีนะครับ <c oughs> วันยะติกุมบิิสเวาลายุชีรอนนบยีกุมอาหดาและอย่าให้ใครจับเจ้าได้อย่าให้ใครรู้ว่าพวกท่านมาจากไหนนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนเหล่านี้เนะี่ยโดนจับได้ินชอลล์ะนะครับเดี๋ยวเราไว้ฟัง สัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้าหลังจากนี้จะเกิดเหตการ์อะไรขึ้นอีกนะครับคนเหล่านี้จะฟื้นขึ้นมาแล้วจะใช้ชีวิตอยู่อีกยานานเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่เขาจะเสียชีวิตแล้วหลังจากเขาเสียชีวิตเกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วตอนนี้พวกเขาฝังอยู่ที่ไหนอินชออลลอฮ์ในวันเสาร์หน้าเราจะมาคุยกันและที่สําคัญนะครับพวกเขานั้นมีจํานวนกี่คนและสุนัขของเขารวมกับจํานวนพวกเขานั้นรวมกันเป็นเท่าไหร่อินชออลลอฮ์เราจะมาคุยกันในสัปดาห์หน้า แล้วผมจะพยายามไปค้นดูนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีชื่อไหมและชื่อที่ถูกแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นชื่อจริงๆของเขาหรือไม่และมีหลักฐานรับรองหรือไม่อินชอลล์นะครับเสาร์หน้าค่อยมาว่ากันใหม่ส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอทักทายพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมรับฟัง น, นะครับวันนี้ก็ด่วนปิดประชุมนะครับ อิชอลาเนี่ยค่อยมาเจอกันใหม่แล้วก็มาเรียนรู้กันใหม่นะครับในดํารัตของรอซมหังตลาซึ่งเป็นธรรมนูญแห่งการดําเนินชีวิตของผู้ศรัทธาและเมื่ออ่านหรือว่าทุกครั้งที่อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจนะัะเราก็จะเกิดบรารักะเกิดความจำเริญในการดําเนินชีวิตของพวกเราขอรัชอล า, ารอซมหังตลานะครับให้หัวใจของพวกเรานะี่ยมั่นคงในอันอิสลามให้ร่างกายของเรานั้น นะครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งหัวใจและก็ร่างกายทั้งอีมานแล้วก็ทั้งสุขภาพทั้งตัวเราและก็ครอบครัวของเราทุกคนขออัลลอุซฮานตะลานั้นปลดเปื้องภัยบาลาต่างๆให้หมดไปจากพวกเราในเร็ววันขอให้เศรษฐกิจต่างๆนะครับการที่เราได้พบปะสังสรรค์ได้พบปะผู้คุยร่วมกับจมะมาอ่าละหมาดกลับมาละหมาดจะมาอีกครั้งหนึง่งนะครับ อย่างสมบูรณ์แบบมีการเรียนการสอนได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ทุกอย่างสถานการณ์มันดีขึ้นโดยเถิดอาม i n สบพานะกะลอฮ์มะบิฮัมดิกาชาดุลละอิลาอิลาอันตะสตัฟิลกัวตูบุไลก์ลามุอะลิกุมุราห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุ